น้องสาวยิ้มออกมาอย่างยินดีพึมพำโชคดีเหลือเกินที่พี่ใหญ่มีความรู้เรื่องเข็มทิศเป็นอย่างดีพอแนะสอนให้น้อยได้ไม่งั้นน้อยคงมืด อ, อยู่นี่เองแต่พานนั่นไม่เคยสอนน้องในเรื่องนี้เลยก็ <Ồ. S 1> เขาจะสอนได้ยังไงละ่ะในเมื่อเราอวดรู้เป็นหมดเสียทุกอย่างพี่ชายว่ายิ้มยิ้มพักการเพียงสี่สิบห้านาทีแล้วพินก็ให้สัญญาณออกเดินต่อไปอย่างแข่งกับเวลา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 การเดินในระยะหลังรอบบ่ายนี้แต่ละคนแทบจะไม่มีโอกาสได้พูดจาคำใดกันอีกเลยนอกจากการตั้งหน้าตั้งตาเดินถ่ายเดียวจากการสังเกตันรอบคอบทุกระยะของเชษฐาเขาบอกกับตนเองว่าพอจะจับวิธีเดินของผานใหญ่ระพินได้เป็นเลาๆนั่นก็คือจะไม่เดินเฉียดเข้าไปใกล้พุ่มไม้ทึบที่สำรวจมองเห็นอะไรไม่ถนัดโคนไม้ใหญ่หรือจอมปวกเลยนอกจากจะเลี่ยงผ่านไปในระยะห่าง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 เทถ่าโจรเข้ามากระทืบลงไปกลางลำตัวของมันด้วยรองเท้าพื้นหนาของเขาขยี้ส่วนหัวแหลกติดดินหลุดจากรองเท้าของชายยันมาได้เกิดตื่นเต้นโอระเวงกันไปทั้งขบวนชั่วขณะหนึ่งแล้วพินเป่าลมออกจากปากโครงศีษะช้าช้ า, ชามองดูชายยันผู้ยืนหน้าซีดด้วยความขันและคนตื่นตกใจเล็กน้อยขอดีแท้ๆที่คุณชยยันสวมทับหนังหนาไม่งั้นละยุ่งใหญ่ทีเดียวผมใจหายหมด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 แกเดินตามหลังแล้วพินเป็นคนที่สองงูที่ถูกเหยียบมันมักจะ ก, กัดคนที่เหยียบมันเป็นคนแรกไม่ทันถ้าหากเพ่นเสียก่อนแต่คนที่เดินตามหลังมาเป็นเจอแน่มัวจะเต้นแยงแยงร้องอยู่ได้ทําไมไม่เอาส้นปืนกระแทกมันลงไปปุถโธพอก้มลงมองเห็นเป็นงูงับติดหลังเกือกก็หกลุกไปหมดทั้งตัวแล้วขยะขยงจะตายโหนชัยยานเบะปากทําตัวเสยียว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 ช้าไม่ได้อีแบบเดียวกันนี่แหละไอ้จันโดนเข้าทีหนึ่งแล้วที่ห้วยแม่เลิงปีก่อนนี้ทําไมหรือก็เดินกันไปตามลําห้วยแห้งอย่างนี้แหละครับพานใหญ่เดินหน้าไอ้จันเขาตามหลังเดินไปได้พักใหญ่พานใหญ่ก็ ก, กระเดอร้องงูไอ้จันก็ก้าวสูบซ้ํารอยลงไปพอดีจุดเดียวเท่านั้นลงไปนอนตัวหงีกร้องลั่นห้วยไอ้กระตะคางเหลี่ยมอย่างนี้เหมือนกันหมูป่ามันกัดขาดไว้ครึ่งตัว พานใหญ่เหยียบเข้าก่อนแล้วมันกัดไม่ทันไม่รู้แกมีดีอะไรเหยียบงูนับครั้งไม่ถ้วนไม่เคยกัดแกได้สักทีคนเดินหลังเจอเข้าทุกทีไปอ้าวแล้วยังไงจันถูกกัดแล้วทำยังไงเอายาที่ไหนฉีดชา ย, ยาถามโดยเร็วอย่างตกใจจะเอายาที่ไหนกันครับนายทหารรักษากันไปตามเรื่องเอาผ้าคม้า ข, าขันชนะขาข้างที่ถูกกัดช่วยกันแบกกลับปางพัก โชคของไอ้จันจะไม่ตายแต่เท่าเสาตาเอหัวหน้ากะเหลี่ยงฟาดโนนตามช้างงาผ่านมาพอดีเข้ามาขอแบ่งข้าวสารรู้เรื่องไอ้จันถูกงูกัดแกก็เลยเอาอยาของแกที่ติดย่ามมาด้วยดูดปากแผลตรงที่เคี้ยวงูกัดถอนพิษออกมาได้ไอ้จันรอดตายแต่นอนขาบวมอยู่ร่วมเดือนถึงเดี๋ยวนี้ขามันก็ยังเป๋ๆอ ย, อยู่เพราะถูกงูกัดคราวนั้นถามมาดูเองเถอะจริงครับนายทหารจันถูกกัดมาแล้ว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 เชิดาสอบซักต่อไปยังพรานใหญ่ผู้เป็นหัวแถวก็ได้รับคําตอบเบเียบว่าจริงครับคุณชายยาแก้ปิ๊งูของจอตายเอขนาด น, นั้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆตอนนั้นผมก็นึกว่าจันเสร็จแล้วเหมือนกันโชคดีที่ตานั่นผ่านมาพอดีได้ช่วยไว้รู้ไหมมันเป็นยาที่ประกอบขึ้นด้วยอะไรเชิดาเต็มไปด้วยความสนใจผมคิดว่าคงจะเป็นพวกสมุนไพรครับแต่มันดําสนิทเหมือนถ่านสุกสุกโป่งโปรง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 หล่อนเอ่ยออกมาเหมือนจะพูดกับตัวเองชายยันก็สะกิดหลังขัดมาว่าอย่ามันเป็นนักวิเคราะห์หรือวิจัยอะไรในป่าดีกว่าเรื่องยาดูดพิษงูนะ่ะมันยังเรื่องเล็กธรรมดาสามัญเหลือเกินถ้าจะเปรียบเทียบ บ, บความรีรับมหัศจรรจ์ต่างๆที่เราเจอกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนขืนแก่ทําตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็มีหวังบ้าตายอยู่ในป่านี่แหละหลายตัวหลายอย่างมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์อย่างเธอวิเคราะห์ไม่ถูกยังไม่เข็ดอีกหรือ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 เล็กๆอ่อนไปอ่อนมาสีเขียวสดเหมือนกิ่งไม้ที่เกาะ อ, อยู่ตามรั้วผู้ลหลงหรือตามปุ่มไม้เล็กๆนะ่ะปากมันแหลมๆเหมือนจิ้งจกอ๋อรู้จักทําไมงูมแบบนั้นไม่มีพิษกัดไม่เจ็บปวดไรหรอกหรือมันไม่มีพิษไม่มีอันตรายไรหรอกครับจิ้งจกยังกัดเจ็บเสียกว่าตามปกติติแล้วมันก็ไม่อยากจะกัดใครถ้าไม่ถึงกับเอานิ้วเข้าไปแย่เล่นในปากมันหรือบางทีแหย่ให้กัดก็ยังไม่กัดเลย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 พานใหญ่ก้มลมหยิบยอดไม้อ่อนๆที่หล่นอยู่เกลื่อนกลาดขึ้นมายอดหนึ่งชูให้หัวหน้าคณะดูแล้วแง้มมองสอดสายไปยังกิ่งไม้สูงรอบด้านคณะในจ้างสังเกตเห็นได้ว่ายอดไม้กิ่งนั้นเหี่ยวเฉาลงแล้วไม่สดนักแต่ใบยังเขียวอยู่พวกข้างมันหากินอยู่บริเวณ น, นี้เป็นแดนเขาพูดตา ย, ยังสอดสายแล้วเหลือบลงยังเบื้องต่ํารอบด้านตามสมุนทุ่มพุ่มไม้และทางด่านซึ่งเป็นพื้นดินแข็ง แต่ทําไมวันนี้มันเงียบหายกันไปหมดทําไมคิดจะเอาข้างมาเป็นอาหารเย็นวันนี้อีกล่ะสิดาลินผู้ทุ่นห้วนพานใหญ่และอีกสองชายไม่สนใจกับคําของรอนเพราะกําลังใคร่ครวญอยู่ในบางสิ่งบางอย่างชายยันก็ก้มลงเก็บขึ้นมาพิจารณาดูอีกยอดหนึ่งพวกมันหักยอดไม้เหล่านี้ไว้กี่วันมาแล้วนี่รอยเก่าวประมาณสามสี่วันมาแล้วเชิดาและชายยัน อ่านสีหน้าและแววตาของเขาแต่ก็ไม่เห็นร่องรอยผิดปกติอย่างใดนอกจากควักบุหรี่ออกมาจุดสูบแล้วเดินตรงเข้าไปที่จันผู้สพายลูกซองบรรจุห้านัดแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งเป็นปืนประจำมือส่งไรเฟิลจุด458ไปให้สพายแทนแลกเอาลูกซองมาสอบถามเบาๆถึงชนิดของลูกปืนที่บรรจุอยู่จันตอบว่าเป็นแบบลูกปลาย9เมตรทั้งห้านัดเขาก็ขยับลูกเลือนแง้มดูกระสุนที่ประจำอยู่ในรางเพลิง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 กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงนั้นโชยตลบฉุนกึกมาอีกเมื่อลมเริ่มพัดดารินแทบจะสำลักครางอะไรออกมาคณิคลำคอยกมือขึ้นปิดจมูกไว้เหนือลมข้างหน้าที่เราจะผ่านไปใกล้นี้เองระพินกระซิบเข้าไปดูให้รู้แน่สิอะไรหัวหน้าคณะบอกปดไรเฟิ่ลงจากไหลมาถือกระชับไว้ชา ย, ยันก็ปฏิบัติตามยกเว้นแต่ดารินคนเดียว หล่นลวงภาชนะขึ้นปิดจมูกเติมไปด้วยความอึดอัดกระสับกระส่ายอยากจะหลีกทางให้พ้นกลิ่นอันเหม็นอย่างร้ายกาดนั้นไปเสียโดยเร็วโดยไม่เอ่ยคําใดอีกพรานใหญ่เริ่มเคลื่อนที่ต่อไปอย่างระมัดระวังคณะนายจ้างจรดฝีเท้าตามหลังเขาเวระยะประมาณ3ามี่เก้าทางด่านสายนั้นลาดต่ำลงไปมาสู่มาบตอนหนึ่งอันเต็มไปด้วยพุ่มไม้เตีย้ยเตี้ยสลับกับต้นไม้ใหญ่ที่สูงชรูดมีรอยกิ่งไม้หักผ่านไปประมาณ30มสิบวันมาแล้ว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 เชิฐาออกคำสั่งแล้วหันกลับไปโบกมือเป็นสัญญาณให้ลูกหาบทั้ง6กคนเข้าหลบก่อนจากนั้นก็สะกิดแขนและปีนชวนกันคลานแหวกพงเสือหมอบและไม้เล็กๆซึ่งขึ้นลกอยู่ริมทางตรงเข้าไปยังซุ้มคอยอันแน่นด้วยไปด้วยถาวรเบื้องหน้าเสียงนั้นได้ยินถนัดชัดเจนขึ้นทุกขณะที่คืบใกล้เข้ามาเสียงฉีกเนื้อดังคว้าควเสียงเครี้ยวกรอดกอดและเสียงแมลงวันที่คลางหึงห่งหึระหว่างที่สุดหมอบพุ่งสายตาผ่านรอยโหวของปุ่มไม้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 ที่น่าประหลาดใจ ย, ยิ่งสำหรับเชษฐถาก็คือตัวหนึ่งกำลังกินอีกตัวหนึ่งเขาเบิกตาจ้องเหมือนจะไม่เชื่อสายตาอยู่กึ่นอึดใจพลางหันมามองพลานใหญ่ฉงนสนเทครามคันเห็นอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในอาการปกติเหมือนเดิมไอ้โครงตัวนั้นเครื่องไม่ใช่น้อยทีเดียวคำนวณด้วยสายตาปาด่าดขนาดของมันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าไอ้กุฎที่เคยพิชิตกันมาแล้วเอาไงครับ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 ถึงกับพลิกผงาตีรังกาหกหลังลงไปกลิ้งทับซากเหยืย่อย่างน่าดูแล้วชักพลาดพลาดอยู่ตรงนั้นเองโดยไม่มีเสียงร้องหรือคำรามอีกเลยแม้แต่อึดเดียวไม่ถึงอึดใจก็สงบนิ่งตายสนิทเชษฐากระชากก่อทิ้งสึกลงลูกขึ้นใหม่ขึ้นลําก้องอย่างรวเดเร็วอันเป็นนิ ส, สยัยเพ่นออกจากพงตรงเข้าไปพร้อมรับหินเป็นเวลาเดียวกับที่ดารินทร์ชัยยันแ ล, ายยานล่นเข้ามาถึงลืมกลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรงนั้นลงชั่วขณะด้วยความตื่นเต้น ฮ้าอะไรกันนี่ก่อนจะยิงมีการโหเฮ h เอาเลิกขึ้นเสียก่อนงั้นหรือชายยันร้องมองดูซากเสือตัวนั้นแล้วเหลือกลับไปดูหน้าสองคนอย่างสงสัยเชิดถาหุระหึหยไอที่โหเฮ h นะ่ะแล้วพินเจตนาจะทำเสียงให้มันตกใจแล้วเพ่นหนีไปแต่พอเฮ l มันก็โฮกสวนเข้ามาก็เลยต้องกดเปรียงเข้าให้กรรมของมันเองไม่รู้จะช่วยได้ยังไงทั้งๆ ท, ท, ที่ก็แผ่เมตตาไปให้แล้ว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 ซากของมันแหลกเหลวยับเยินเป็นพยานหลักฐานที่เห็นอยู่นี่ส่วนหย่อมเลือดที่กองกลางศาสตร์ไปทั่วนั่นคงจะเป็นเลือดช้างแล้วผิ่นก้มศีรษะลงครับคุณชายทายได้ถูกต้องแล้วไอ้ตัวเป็นซากแหลกอยู่นี่จะมีอยู่ด้วยกันในขณะนั้นสักกี่ตัวก็ไม่ทราบโจรก็ใส่ช้างที่ลงมากินโปง่งผมทายว่ามันคงเจตนาจะเล่นงานลูกช้างน้อยแล้วก็ประทะ ก, กับแม่ช้างและพวกสีดอที่คุมโขงฟาดกันเป็นศึกใหญ่ เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วตอนที่ออกจากห้วยแม่เลงเสือพลาดท่าถูกกระทืบยับส่วนช้างก็คงเลือดสา์ไปนั่นไม่ใช่ข้อสงสัยอะไรเลยนี่สิ่งที่น่าแปลกก็คือทำไมไอ้ตัวนี้มันจึงมากินซากของพวกมันเองดาลินว่าขมวดคิ้วก็ไม่น่าสงสัยหรือน่าแปลกใจอะไรเลยจุนิดเดียวเลยครับทำไมคุณหญิงคงคิดมาก่อนกระมังว่าเสือมันไม่กินเสือประโยคลังเขาย้อนถาม ดาลินหันไปมองชายยานสีหน้าฉงนรักคนประหลาดใจเต็มที่ชายยันก็บอกร้องมาเบาวๆว่าเอ๊ะมันกินกันเองด้วยเหรอหรือยังไงเชษฐาหัวหน้าคณะไม่กล่าวเช่นไรแต่เขาน่าก็คงสออความงงงันไม่น้อยไปกว่าอีกสองคนเช่นกันก็เห็นชัดๆกับตาอยู่นี่แล้วยังไงล่ะครับแล้วผินตอบเรียบๆไอ้ที่ว่าเสือไม่กินเสือนะ่ะ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 ไอ้ตัวนี้กำลังกินซากเพื่อนของมันเองที่ถูกช้างกระทืบไว้เสือมันเป็นเดราชานชั้นต่ำครับมันไม่มีหิริโอต ป, ปะธรรมะหรือความตะกิดตะขวงใจอย่างมนุษย์เราหรอกถึงมนุษย์เองทุกวันนี้ก็เถอะร้ายกาจอมหิระเรือดเย็นตะกาตะกามยิ่งกว่าเสือเสียอีกผิดกันก็เพียงแต่ไม่ได้มาขบเคี้ยวเนื้อกันกินซึ่งซึ่งหน้าเท่านั้นแต่กินในแบบที่ฉลาดกว่าซึ่งผลสรุปก็ไม่ผิดกันไปนั่นเอง